ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่หลวงปโพธิยานกำลังนำเสนอเรื่องปัจเจกขณะสมาธิมาถึงกลุ่มธรรมที่ทรงใช้คำว่าถ้าอาภิาานาปัจเจกขณะบ้างบาระพีตะาอาภิาานาปัจเจกขณะบ้าง ที่แปลว่าข้อซึ่งบรรพชิตควรพิจารณาึ่เหนืองพิจารณาบ่อยๆพิจนารณาอยู่เสมอแต่อย่าที่บอกท่านทั้งหลายไว้ในวันก่อนว่าธรรมะก็คือธรรมะมันก็อยู่ในหลักการเดียวกันเพียงแต่ว่าสำหรับชาวบ้านอาจจะลดความเข้มข้นลงไปหน่อยก็อยู่ได้แล้วสาหรับสามเณรก็เพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่ง แต่มาพระก็เพิ่มขึ้นไปยิ่งกว่านั้นก็เป็นการพิจารณาเหมาะสมแก่สถานะของแต่ละท่านซึ่งไม่เหมือนกันกวันก่อนมาถึงประเด็นที่ว่ามันประชิดควรพิจารณาหนึ่งๆว่าชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่นเราควรทําตัวให้เป็นของเลี้ยงง่ายบํารุงง่าย ราะว่านักบวชนั้นฝากท้องไว้กับชาวบ้านคือพลังศรัทธาของชาวบ้านหลักการตรงนี้ก็เป็นหลักการสำคัญในการตัดสินความเป็นพระธรรมวิจนยัยเพราะาในโคจะมีสูตรพระเจ้าทรงตอบปัญหาของพระมหาปชาบดีโคจะมีถึงลักษณะตัดสินว่าอะไรเป็นธรรมเป็นวินยัยอะไรไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินยัย อะไรเป็นคําสอนของภาษาสดาหรือไม่ใช่คําสอนของภาศาสดาเนี่ยในข้อสุดท้ายทรงแสดงว่าทำใดเป็นไปเพื่อความเป็นผู้เลี้ยงยากไม่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้เลี้ยงง่ายนั่นไม่ใช่ธรรมนั่นไม่ใช่วินยัยนั่นไม่ใช่คําสอนของภาษาสดาแต่ข้อนี้ถ้าเรามองโดยความเป็นจริงนะครับคนทุกคนล้วนแต่อาศาัยบุคคลอื่นเลี้ยงชีวิตด้วยการทั้งนั้น วัยจะเป็นโดยตรงหรือว่าโดยอ้อมก็ตามเช่นว่าภายในครอบครัวเนี่ยก็อาศัยซึ่งกันและกันแน่นอนช่วงหนึ่งบุตรธิดาก็อาศัยพ่อแม่หนักไปหน่อยแต่ช่ว ง, ก ล, งกลางก็จะอาศัยซึ่งกันและกันช่วงประสิมวัยของพ่อแม่ส่วนใหญ่ลูกก็ได้เลี้ยงดูพ่อแม่พ่อแม่ก็อาศัยลูกในกรณีที่มีลูกกันอยู่ ข้าราชการของรัฐเองก็เลี้ยงชีวิตด้วยภาษีของราษฎรรัฐบาลที่บริหารประเทศก็มีเงินเดือนซึ่งเป็นภาษีของราษฎรก็สรุปว่าคนทั้งหลายในสังคมที่จริงก็อิงอาศัยซึ่งกันและ ก, กันวันประเด็นสําคัญว่าการวางตัวให้เหมาะสมแก่ฐานะของคนที่ต้องเลี้ยงชีวิต แล้วไปเกี่ยวข้องกับบคุคคลเด็กอย่าลืมว่าเป็นเรื่องระดับศีลธรรมจัรญาคือถ้าเรามองกันในแง่ของอรริมัค ก, ก็คือเป็นสมาชิวะคือกาเรเลี้ยงชีพในทางที่ชอบในด้านของการแสวงหาในการได้มาในการครอบครองในการบริโภคใช้สอย ทุกขั้นตอนนั้นไม่ควรทำไปได้วยแรงผลักดันของกิเลสตัณหาแต่ว่าควบคุมจิตของตัวเองไว้ได้อยากได้มาอย่าให้ครอบครองอยาให้บริโภคใช้สอยสิ่งซึ่งได้มาในทางที่ทุจริตก็เรียกว่าทำอาชีพของตัวเองให้บริสุทธิ์ทีนี้อาชีพที่บริสุทธิ์มันพูดยาก เคือในพระบาลีเองรู้จกากพระทรงใช้เพียงคําว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายริยส า, าวกในพระาศาสนานี้ละการเลี้ยงชีวิตในทางที่ผิดแล้วมาดําเนินชีวิตในทางที่ชอบทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่างานอาชีพของคนไม่เหมือนกันอาชีพระดับหนึ่งเป็นอาชีพชอบพอมาถึงอีกระดับหนึ่งมันก็ไม่ชอบ มันก็ดูตัวอย่างง่า ย, ายๆว่าอย่างพระเที่ยบินทบาติเนี่ยถือว่าสมาชีพอย่างอุกฤษชาวบ้านเป็นเที่ยบินทบาตมันก็เป็นมิจฉาชีพแม้จะไม่อุกฤษแต่ก็เป็นมิจฉาชีพหรือว่าทหารยามก็ยืนยืนยามดูเนี่ยยืนเฉยๆไม่มีงานอะไรต้องทำก็อยู่ยามเฉยๆก็ถือว่าเป็นสมาชีพแล้วก็เคลื่อนไหวไปตามเหมาะตามควรแก่กรณีของงานที่ตนตรับผิดชอบ ก็ถือว่าเป็นสามาชิกของเถอบางการครองชีพแบบนักบวชก็ดีการคลองชีพแบบชาวบ้านก็ดีที่ทรงวางไว้ด้วยศีลพึงนังเกตว่าที่จริงวางไว้ระดับแรกก็คืองดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้เตอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะลึกลงไป คืองดเว้นจากการใช้ให้บุคคลอื่นถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขไม่ได้ให้หรือว่าให้การส่งเสริมสนับสนุนรับของโจรสมโจรหรือปกปิดกลบเกลื่อนให้แก่พวกโจรมันก็อยู่ในเก์ของมิจฉาชีพเป็นหลยงบางครั้งบางคราวเราไปยกย่องสรรเสริญคนที่เลี้ยงชีพมาในทางที่ไม่ชอบไม่ควร มันก็ทําให้เขากํา เ, เริ่เสืบสารได้ใจแล้วก็มีความพอใจที่จะประพฤติเรืเอรมเช่นนั้นอย่างในสมัยโบราณที่ท่านพูดว่าสอนลูกให้เป็นโจรคือพ่อแม่เมื่อลูกไปลักขโมยมาก็ไม่ห้ามปราบตะเกือนก็เห็นว่ามันก็ทุ่นแรงให้แก่ตัวเองในสุดเด็กก็ใจแตกกํา เ, เริ่เสืบสารจนถึงก็ไปลักไปขโมยไปปล้นไปจี้แล้วก็ถูกฆ่าตายในที่สุดถูกจับกุมได้ในที่สุด ซึ่งเด็กมันก็หันมาโทษพ่อแม่แต่ไม่อบรมสั่งสอนแนะนำในทางที่เหมาะที่ควรให้ประการต่อไปนั้นท่านสอนว่าบรรปชิตควรพิจารณาเนือ ง, งว่าอาการกิริยานใดที่เหมาะควรแก่สถานะของบรรปชิตซึ่งจะต้องประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราได้ประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นหรือไม่ ทีนี้การปฏิบัติตนของบุคคลในแง่ของความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นอาการของสัตว์ปริศธรรมคือธรรมะของสัตว์บุรุษที่มันจะต้องมีเหตุผลในการครองชีวิตก็เรียกว่ารู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักกลุ่มคนรู้จักบุคคล ที่ตนจะต้องปฏิบัติสัมพันธ์เกี่ยวข้องในขณะนั้นๆมันไม่ใช่ข้อยุติลงตัวว่าทำายังไงถูกกับอย่างไรผิดเพราะจริงๆมันเป็นเรื่องกติกามัญญาต่างสังคมเท่านั้นเช่นเียบดยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเราใช้ในกรณีไหนละ่ะมนุษย์เราก็อยู่ได้ทุกเรียบทแต่ปัญหาว่าอยู่ในที่ไหนละ่ะเธยจะนั่งหลับก็ได้แต่ปัญหาว่านั่งหลับที่ไหนละ่ะ ทีนอนหลับก็ได้ที่มันก็จำกัด น, น้อยลงหรือขับรถไปแล้วหลับนี่ยก็ไม่ได้วนั่นพงสังเกตว่าในกรณีเนี้ยอาการกริยาที่หมอซึกอวนแม้แต่ที่ท่านบัญญัติไว้ในเรื่องวินัยวินัยของพระหรือแม้แต่ศีลของชาวบ้านเองถ้าเราสังเกตว่าเรามองศีลศีลแปดอะศีลแปดศีลบรัชศูย์ เราเยนว่าศีลสี่ข้อห้าข้อแรกเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างสากลโดยเฉพาะยิ่งยิ่งคือสี่ข้อแรกเป็นความผิดสากล ค, คือไมายความค่าคนที่ไหนลักทรัพย์ที่ไหนประพฤติผิดทางประเภทอ่ทางประเวณีที่ไหนโกหกที่ไหนผิดทุกจีแล้วใครก็ได้แต่ดึงล่าเนี่ไม่แน่บางสังคมบางสมาคมบางท้องถิ่นเขาก็ทํากันได้ เพมันจะบีบจานวนคนจะนนว่คนที่รักษาศีลห้ารักษาศีลแปดรักษาศีลสิธิ์พระศาศีลสองร้อยเจ็ดก็หมายความว่าคนเหล่านี้กลุ่มพุทธบริษัทเราเนี่ย ภ, ภิสูจ น, นิสูจนีสามเณรสามเณรีนางสิกข า, านาวาสุปสิกาเนี่ยไปดื่มไม่ได้จะเป็นความผิดส่วนตัวของบุคคลเหล่านั้นเพราะง่ายๆของความเป็นจริงสิ่งเสร็จติดเนี่ยมันเป็นปนัญญทวชะ มันเป็นความผิดตามบทบัญญตัติคือบางครั้งบางคราวที่เขาประรบประชุมเรื่องยาเสพติดกันเนี่ยเจ้มาเองมองมานานแล้วว่าปัญหาบางอย่างเนี่ยมันเมื่อเราทำลายไม่ได้เนี่ยต้องเอามาใช้ประโยชน์ได้ไดยาเสพติดเหล่านี้ทำลายจริงๆมันทำลายยาก มันเป็นเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องสังคมเป็นเรื่องการเมืองเป็นเรื่องงานอาชีพอะไรต่างๆของคนเพราะในส่วนหนึ่งเนี่ยเราเอาเฉพาะพวกที่เสพเนี่ยมาบําบัดเสียมันจะเสพด้วยจำหน่ายด้วยนะฮะเอาเฉพาะพวกเสพเนี่ยมาบําบัดเสียมันก็สามารถตัดวงจรลงไปได้โดยลําดับแล้วคนที่ไม่ยอมรับการบําบัดนั้นต้องเอาลงโทษ แต่ไม่ใช่ลงโทษไปขังเขานะฮะลงโทษที่ไม่มารับการบําบัดแต่บําบัด น, นั้นเป็นรับบริการแล้วก็ปลูกฝังจิตวิญญาณที่จะลาบจําแล้วในโอกาสต่อไปเราก็ลดจํานวนคนที่ติดยาลงไปแต่เราก็ปล่อยให้แก่กลางคือเรื่องบางเรื่องยังยังมองเรื่องบางเรื่องนะเช่นสมมติพวกกระท่อมพวกอะไรต่ออะนะฮะ ก็คนก็กินกันใบสองใบแต่นั้นเองนะก็ไม่เห็นมันมีปัญหาอะไรพอเรากวาเรากวาเรียบวุฒพนาสูตรมาเลยมันก็กลายเป็นปัญหามากเพราะว่าเรื่องบางเรื่องเนี่มันใช้ในฐานะคุณได้มันไม่ใช้ในฐานะเป็นโทษได้อย่างเดียวแต่ทีนี้พอเรามองเป็นโทษปั๊บมันก็มุ่งไปสู่การทำลายอย่างเดียว แต่เราอย่าลืมว่าในความเป็นโทษนั้นมันก็มีความเป็นคุณอยู่ระดับไหนเป็นโทษระดับไหนเป็นคุณแหละมันก็ต้องคิดแหละไปหมารวบเอาอย่างนั้นไม่ได้โลกก็คือโลกนะเป็นความคิดระดับโลกท่านนั้นเองไม่ใช่ความคิดระดับมรรคผลนิพพานระดับมรรคผลนิพพานท่านมีจิตสํานึกท่านไปของท่านเองไม่ต้องไปยุ่งท่านเพราะอย่างจะรับประทานอาหารเย็นเ น, เนี่ยคือปัญหาว่าใครรับประทานละ่ะ อุบาสศรักษาศีลห้าผิดไหมมันก็ไม่ผิดต้องรักษาศีลบทสดรักษาศีลแปดศีลบทสดถ้าเลยกําหนดที่รักษาก็ผิดอันนี้คือคือเรียกว่าการปฏิบัติมันก็ต้องดูความเหมาะความควรไม่ใช่ว่าเป็นความผิดศากลส่วนใหญ่มันเป็นความผิดที่เกี่ยวกับกาลไทศะบุคคลกลุล่มคนความเหมาะความควรกรณี นะที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องในขณะนั้นเท่านั้นเพราในแนววินัยบัญญัติเนี่ยเขาเรียกวารบัญญตัติบัญญัติเฉพาะการเทศะบัญญัติบัญญตัญญติเฉพาะถิน่นบุกะละ บ, บัญญตัติบัญญัติเฉพาะบุคคลเลยคือบางเรื่องมันไม่ผิดบางเรื่องมันผิดเช่นสมมติว่าภิกษุที่ไม่เป็นไข่เนี่ยห้ามยืนถ่ายปัสสาวะก็แสดงว่าถ้าเป็นไข่มันก็ยืนได้ ก็ไม่ได้วาอะไรมันไม่ในอาตยากรรมอะไรนะฮะแต่เพื่อความเหมาะความควรแก่ความเป็นสมณะการวินัยในแนวนี้ผู้เจ้าจะยกเว้นไว้คือไม่ใช่ทุกๆกรณีมันไม่ใช่เป็นบาปสากลแต่ว่าคนจะต้องมีสำนึกสำเนียกที่จะประพฤติปฏิบัติให้เหมาะควรแก่กรณีแก่การลเทศะเหล่านั้น พอมาตรงนี้ก็ไปครอบคลุมการปฏิบัติของชาวบ้านด้วยเพราะแต่ละคนเนี่ยมีสถานภาพที่จะต้องสำรวมระวังให้เหมาะให้ควรแก่สถานะครานี้เราลองดูนะสถาบันประมหาศษาสตร์ของเราเราเจนว่ามันจะไม่ยกมือขึ้นเหนือศีรษะแบบขรังประธานาธิบดีของขรังนั่งคุยไายห้างสัมภาษณ์เชิบเชิบ เมื่อเราไม่ทําสถาบันปรมาจารย์เราไม่ทําอย่างนั้นคือนั้นแสดงว่าเป็นจารีตเป็นขัตยจริยาที่มีการฝึกปลืออบรมสั่งสมบ่มเพาะกันมาถ้าเหล่านั้นท่านเป็นชาวาบ้านธรรมดาที่ไม่ได้ผ่านการระบบการฝึกปลืออย่างนั้นเพราะงั้นท่านทําอย่างนั้นมันก็ไม่ได้แปลกอะไรทีนี้พระเนี่ยที่จริงเขาก็ไปฝึกปลือมากกว่านั้นเพียงแต่ว่ามันอยู่ที่กาลเทศะ เรื่องบางเรื่องมันไม่เป็นบาปในตัวของมันแล้วก็ไม่ใช่โลกวัชชะด้วยนะเรามีประเด็นหนึ่งที่มันค่อนข้างจะสับสนในหมู่ของพระเองแม้ในหมู่ของชาวบ้านเนี่ยยกตัวอย่างว่าพระกินอาหารเย็นถามว่าเป็นโลกวัชชะหรือเปล่าถ้าเรากินในเมืองไทยเนะี่ยใช่ชาวบ้านก็ตีเตียนก็ตีเตียนเพราะอะไรเขารู้ว่าพระเนี่ยกินข้าเย็นไม่ได้เราไปกินค้าเย็น ถามมาเขากินหรือเปล่าเขาก็กินทีนี้สมมติว่าพระไปฉันอาหารอยู่ต่างประเทศนะฮะฉันเวลาเย็นเลยผู้ต่างประเทศที่เขาไม่รู้เรื่องวินัยของพระเนี่ยเขาจะไม่ว่าอะไรเลยเพราะอะไรเพราะมันเป็นปันนติวัชชะมันเป็นความผิดเฉพาะพระเท่านั้นเองผิดเฉพาะตัวหมายความาพระรูปนั้นแหละท่านศึกรุ่งเช้าทัางกินขา้าวเย็นได้แล้วก็ไม่ว่าอะไร นะสึกตอนเที่ยงตอนเย็นก็ยังกินข้าวได้เลยอันนี้คือมันเป็นเรื่องของบุคคลเป็นเรื่องของกาละเป็นเรื่องของเทสะเห็นะฮะมันอยู่ที่กาละว่าไม่ใช่ว่ากินข้าวไม่ได้แต่เวลานี้กินไม่ได้ทีนี้บางเทสะเนี่ยมันกินได้บางเทสะมันกินไม่ได้ในเวลาเดียวกันในกาละเดียวกันนั่นแหละเจะนึกสมมติว่าสามโมงเช้าไม่ใช่เอาสามโงเย็นก็นแล้วกันสามโงเย็นเนี่ย พระชันข้าวในประเทศไทยในผิดทีนี้สามโมงเย็นเนี่ยไปชันในฝรั่งเศสสมมติว่าไม่มีคนไทยเห็นเลยนะะพระนัยังผิดแต่ในความรู้สึกของคนฝรั่งเศสที่เขาเห็นนี่ไม่ผิดคือเขาไม่ตีเตียนเพราะคาว่าติเตียนเนี่ยคําว่าโล ก, กะวะชา้าเนี่ยมันก็มีเฉพาะเรื่องศีลสีข้อแรกเท่านั้นเองตัวเอเนี่ยเราอ้างว่าชาวบ้านตีเตียนชาวบ้านเยาวนิยายเลยรก็ตีเตียนได้ทั้งนั้นได้จะทํำยังไง แม้แต่คนเดินเนี่ยมาเคยได้ได้ยินบทกล่อมเด็กนะกล่อมเรื่องคนเดินก็ดา่าแหลกหมดเลยอ่ะเดินก้มก็ดา่าเดินเงยก็ดา่าเดินปากปิดก็ดา่าเดินปากเผยก็ดา่าตาแข้งซ้ายก็ดา่าตาแข้งขวาก็ดา่าก้มหน้าก็ดา่าเอ๊ะแกให้เดินยังไงยังนึกว่าแกจะให้เดินยังไงอ่ะเนี่ยฟังมาตั้งแต่เป็นเด็กเด็กนะแล้วเราก็คิดสงสัยมาตั้งแต่เด็กเด็ก เวลานี้ก็เจอคนแก่ก็พยายามถามว่าไอ้บทกลอมเด็กบทนี้มันมันค้อความเต็มในว่าอย่างไงเพราะเราจำได้เฉพาะช่วงขด า, านั้นเองอันนี้ก็คือก็คือชาวบ้านเราจะเอานิยายไม่ได้เราเพราะโลกวัชชะจึงหมายถึงความผิดสา ก, กลคือใครทําก็ผิดแต่ปณติวัชชะนั้นไปเป็นบทบัญญัติมันเหมือนกับกฎหมายบางอย่างเนี่ยถนนนี้เขาบอกว่าทัว เวก็ทูเวก็ทูเ ว, เ, วเอาวันหลังก็บอกว่าวันเววิ่งไงด้ทางเดียวก็ทางเดียวก็ทางเดียวแม่เรื่ด้สมมติเอาอะไม่เรื่องสมมติเอาแล้วก็ทําไม่ถูกตามสมมติเท่านั้นเองแล้วก็ไม่ได้บาปอะไรด้วยนะไม่ใช่บาปอะไรด้วยนั้นเพียงแต่ว่าผิดวินัยในฐานะที่เป็นพระเพราะง้นก็ทำให้เห็นว่าอาบัตของพระเนี่ยมันจะมีอยู่สองระดับระดับหนึ่งที่เป็นโลกวัชชะนี่แสดงได้แต่ไม่พ้นจากบาปหรอก แตระดับที่เป็นปณติวัชชาเนี่ยแสดงได้ด้วยแล้วก็พ้นจากบาปด้วยเพราะอะไรเพราะพระเจ้าสร้างบาปให้เองไม่ได้บาปมันเกิดขึ้นด้วยเจตนาเป็นกระบวนการของกรรมมันเป็นมีอยู่โดยธรรมชาติธรรมดาพระเจ้าเพียงแต่ว่าชี้แจงแสดงให้เกิดความเข้าใจเท่านั้นเองเพราะในเรื่องเหล่านี้เราจะเห็นว่ามันเป็นการทำกับกิริยามัญญาที่ต่างจากคือหัด สมะพระแต่ว่าชาวบ้านเองเนี่ยก็เหมือนกันมันเป็นคนไทยมันเป็นผู้ใหญ่เป็นกุลสตรีเป็นสุภาพสตรีเห็นไหมปฏิบัติมันก็ไม่เหมือนกันละ ว, วางอริยบทต่างๆจะลุกจะนั่งจะยืนจะเดิ น, จะ ด, นจะดื่มอะไรต่ไหนเนี่ยมันก็ต่างกันหมดละหลักการในพระพุทธศาสนาเนี่ยต้องการจะสร้างพระซึ่งเราอาจจะเรียกว่าสมณะวันนะแต่ที่จริงเราไม่มีวันนะ เพราะว่าเขามาสลายผู้วัรณะต่างๆเข้ามาอยู่เป็นพวกเดียวกันใช้เกณฑ์การประพฤติการปฏิบัติเนี่ยเป็นเครื่องมือในการกําหนดความดีหรือไม่ดีของบุคคลดอก น, นั้นคือเขาไม่ตั้งคําถามมาท่านเป็นใครแต่จะตั้งบัญหาปัญหาว่าท่านประพฤติยัยงไงท่านจะเป็นใครมาก่อนไม่สาคัญดอกอย่างมหาโจรระดับองค์คุลิมาอย่างเงี้ย รเราเห็นว่าเป็นที่เคารพนับถือของพระเจ้าปเนสนโยศนพระนางวลิกาเทวีนะฮะแล้วก็เป็นพระหนุ่มพระโมกขลานะนี่ยังพระอองค์ปริมาเนี่ยท่านยังหนุ่มตอนบวชก็ยุ ป, ประมาณได้ยี่สิบห้ปีแต่เนี่ยนะแต่ว่าเป็นที่เคารพสักการะทังคนทั้งหลายเขาไม่ได้สนใจแน่ดีเธอก็ทึ่งก็ทึง่งว่าเด็กหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยหลงทางไปได้ระยะหนึ่งแล้วก็กลับมาได้มันกลับมาสุดๆเลย น่าตื่นแต้นน่าชื่นชมน่ายินดีในการเปลี่ยนแปลงเล่านั้นั้นกิริยามัญญาในแนวนี้ก็สรุปว่ามีอินทรีย์ที่สงบอย่างพระเนี่ยเขาไม่ให้มองวุ่นวายนะเช่นจะเดินไปบินธบะอะไรต่อะไรก็มองในเกณฑ์ที่เราควรจะมองแล้วไม่ควรจะจับอยู่ในจุดใดจุดหนึง่งนานๆนก็อมองผ่าน มองผ่านผ่านไปแล้วก็ถ้าเรารับบาตรมันก็มองเฉพาะในบาตรจิตฐานจิตจะอวยพอรอะไรตะยมก็ว่ากันไปแต่ว่าไม่ได้มองแบบลึกๆคือเป็นกิริยาอาการที่เขาเรียกว่าสันตะกายโยสันตะวะโจสันตะมนโนคือกายจะต้องสงบปัญญาต้องสงบแล้วก็จิตใจจะต้องสงบ เี๋บางครั้งบางคราวได้ไปต่างจังหวัดหรือไปที่พพัดพศอภิธรรมอะไรเนี่ยคือบางทีก็ต้องไปอบรมรมาเลยเห็นแกตั้งพัด ส, สี่รูปเป็นตั้งพัดไม่ตรงกรันแหมเราก็อึดหนัดแหละก็เมื่อไม่เห็นญาติโยมอะไรก็อาจจะมันก็ชิดเตือนซะหน่อยวันหลังหัดตั้งพัดทำมันตรงตรงหน่อยนะอันนี้คือคือที่จริงมันเป็นภาพลักษ ที่จะสะท้อนขององค์กรทั้งหลายเพราะการก้าวการเดินการอะไรต่อไรเนี่ยประสงค์ให้มีิรีย บ, บทเรียบร้อยแล้วก็อยู่ในไตรสิขาหมายความอาการกายวาจาไม่กำเริบเนี่ยนะกายวาจาไม่กำเริบเป็นผู้เรียกว่าไม่ขนองกายไม่ขนองวาจาซึ่งบางครั้งบางคราวเราก็ต้องยอมเหมือกันว่าท่านเป็นนิสัยอย่างนั้น ลักษณะนิสัยวาสนาบา ร, รมีของคนเป็นนั้นมากเนี่ยบางครั้งมันมีความขัดแยง้งเพราะว่าพระอาหารหันต์นั้นท่าละวาสนาไม่ได้ท่ละได้เฉพาะกิเลสมันวาสนาบางอย่างมันก็ติดอยู่ดังั้นก็เป็นอย่างนั้นน่ะก็อาจจะไม่เรียบร้อยในความรู้สึกนกคิดของคนบางคนแต่ว่าต้องมองด้วยความเข้าใจ หลักเหล่านี้ไม่ใช่หลักให้คนอื่นพิจารณาต้องจับประเด็นให้ได้นะเป็นหลักให้แต่ละคนเนี่ยพิจารณาตัวเองตรวจสอบตัวเองไม่ใช่ไปตรวจสอบคนอื่นที่เรายุ่งเนี่ยคือเรามีตามีตานอกแล้วก็ดูแต่คนอื่นไม่ได้ดูตัวเองไม่ได้คิดแก้ไขปรับปรุงตัวเองเพราะปัญหามันก็เกิดซ้ำซากคอยจับผิดตัวเองเวลาเนี้ยชาวบ้านเนี่ยบางทีสีลห้าตัวเองก็ไม่เคยดูดำดูดีเลย แต่พระพลาดอะไรนิดอะไรหน่อยละโอ้ยเอามาพูดวิาพาควิจารณ์แกเป็นการใหญ่เลยคือมันต้องมองด้วยความเป็นจริงว่าพระนั้นไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวไม่ใช่มาจากสวงสวรรค์แล้วก็คือลูกชาวบ้านผิดตั้งถูกบ้างหกร้มหก ล, กลุกไปบ้างก็กว่าจะเป็นหลักเป็นฐานด้วยตัวเองเนี่ยมันก็ต้องกินเวลาอยู่พอสมควรเพราะหลักตรงนี้จึงสอนให้แต่ละคนพิจารณานะะ ไม่ใช่สอนให้เราไปพิจารณาคนอื่นแต่ว่าตรวจสอบตัวเองแก้ไขตัวเองปรับปรุงตัวเองตนตนือนตนของตนในพ้นผิดตนเ ต, ตือนจิตตนได้ใครจะเหมือนตนเตือนต น, ตนไม่ได้ใครจะเตือนอย่าใช้เชื้ตือนตนในก้นไผ่ทั้งฟังทงั้งหลายแต่หลวงปพิญญานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้อ ง, งามไปบุญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่ว ก, กันสวัสดี